ฟังทำกันเนะาะพ่จะมาถึงเวลานี้อรอบหนึ่ง24ชั่วโมงโดยพบวันอีกทีหนึ่งตอนเช้าหลองจากทำวัดจบเั็นประจำทุกวันชีวิตเราก็ยังมีอยู่ลองพอที่จะ ทำเรื่องให้ดีเกิดขึ้นได้จากการได้ยินได้ฟังจากการกระทำปฏิบัติธรรมก็กัรท่กวันก็พูดเรื่องความรู้จึกตัวนี่แหละตั้งสีตั้งชาติถวาความถูกต้องมาอยู่ที่นี่ ว่าแต่มีสติคือความรู้สึกตัวไปมีกายก็สติคือความรู้สึกตัวงอกงามอยู่ที่กายที่ใจแล้วอดอิ่นก็จะดหมดหรือหมดไปได้หรือตัณหาขวามโกรธโลภหลงก็จะหมดไปได้ภพชาติชะลาบรรณาก็หมดไปได้ความรู้สึกตัว มันจะไปเหนือโลกไม่เบ่งแยกไม่ถูกเบ่งแยกเบ่นทุกเป็นทุกข์ถ้ามีความรู้สึกตัวไปหนกายในใจจบทุกทุ ก, ก็จะลีกทางให้เอาว่าความรู้สึกตัวมอนเหนือเหนือโลกพอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวรู้สึกตัว ก็เมีการจึริงกลับมารู้จึกตัวที่การกลับมารู้สึกตัวที่ ก, กายเมื่อความรู้จึกตัวมีที่การมันเคยกิตนั่นแหละตั้งกิดตัด้งกายอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันส่วนวาจาส่วนอันอื่นเป็นเรื่องที่สอนหลงไปเนี่ย ความรู้สึกตัวเกิดจากใจแล้วเราถึงก็จะถูกไปหมดแม้จะเราสวดสมนทรณ์วัดมันออกมาจากใจก่อนจะมีคําพูดตั้งวาจารูปมันก็ไปเที่ยงว่าอย่างนี้มันเห็นมาทั้งจิตใจ เวทนามก็ไม่เท uh oh yeah ี่ยงสัญญามก็ไม่เที่ยงสังขารมันก็ไม่เที่ยงวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงรูปนี่มาใช่ตัวใช่ตนเวทนาก็มาใช่ตัวใช่ตนสัญญาก็มาใช่ตัวใช่ตนสังขารก็มาใช่ตัวใช่ตนวิญญาณก็มาใช่ตัวใช่ตนสินงใดไม่เที่ยงสิงนั่นก็เป็นทุกข์สิ่งได้เป็นทุกข์สิงนั่นก็ไม่ควรยึดว่าตัวว่าตนของเรา มันเป็นมาทางใจแล้วมันจึงมาพูดออกมาทางวาจาได้ยินกับทุกคนต้าใจไม่ได้สมบัตมันก็พูดเป็นภาษานกแก้วนกขุนทองไม่ค่อยจะได้ประโยชน์แต่มันก็ยังดีได้เพื่อนที่ในทิศทางมีสติปันญากายเป็นประจำรัางกายจักว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตเหเราเขา ได้ยินเราไหวได้เห็นเรามาก่อนทําให้มันเห็นได้ยินแล้วทําให้มันเห็นทําให้มันเป็นได้ยินแล้วทิ่งไปทำให้เป็นยังไม่เห็นมันก็ไม่เป็นของสมบัติของกายของจิตความรู้สึกตัวเป็นสมบัติของกายของจได้ความรู้สึกตัวเป็นใหญ่แล้ว มันเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายได้เพราะเลยเกิดขึ้นมันไม่แบ่งแยกทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นทุกข์บาคทีความรู้สึกตัวทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นทุกข์บางทีความรู้สึกตัวโกรธโลภหลงกิเลสตัณหาเกิดขึ้นมันก็ไม่เป็นโกรธโลภหลงกิเลตัณหาเป็นความรู้สึกตัวมันก็บ้ดไปได้เหนียวแห้งลง ขอนหม่งดงามของเก่ า, าตกปรกหลา ย, ยแห่งของใหมเขียวขึ้นมานั่งเกิดนั่งกิดลานเห็นโคกลานทำแต่ ก, ก่อนเป็นยอบคาป่าพงเมื่อปลูกต้นยางต้นยูงต้นตะเกียนทองต้นไม่เกิดขึ้นมายาคากระมอดไปป่าพงกรโมอดไป เปิดเกี่ยวกัล่อเกี่ยวเหตุห ล, ลกักโกหกเห็ดอะไรต่างๆในใจเราหนี้ถ้ามีความรู้จักตัวงอกงามเกิดขึ้นดีความรู้จักตัวนูปเกิดเป็นผลกระทบเป็นศิ้นเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีเกิดขึ้นจากกายจากใจจากรูปจากนามนี่มากมาย มันต้องพูดเรื่องนี้ก่อนไม่ใช่เล่านิทานมเป็เรื่องของทุกคนก็มีความรู้จักตัวมันก็ไม่แบ่งแยกเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแฉเป็นชาติใดภาษาใดระที่ใดนี้ยายใดศาสนาไหนมันคือความรู้จักตัวตั้งนั้นเป็นธรรมเดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวเป็นนั้นเดียวจึงจะถูกต้อง ก็าเป็นหลายอย่างไม่ถูกต้องสัจธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องเป็นหนึ่งเดียวหรว่าคนก็เป็นคนคนเดียวก็ามีกายเหมือนกันมีใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่มีความรู้สึกตัวในกายใ้เจแล้วมันก็เป็นคนละอย่างไปเป็นคนหลาอย่างก็มีวัรหาเกิดขึ้น <c oughs> อนชั่วมีก็ทำให้คนดีหดลุดรอนแม้จะมีสัษ์ตาวัดของทัพปุดหมายคุกตลองก็ยังไงไม่ได้ต้องมามีความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของขายเป็นเจ้าของใจให้ได้มีหลอกซาอตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเนื้อแข็งแรงมาก นี่จะได้ใช้ชีวิตที่เป็นรูปเป็นนามในทั้งประโยชน์ให้เกิดเจรโลกโลกนี้ยังขาดคนคนดีราะวมีแต่คนไม่ดีทําลายโลกไ ป, ไปดูหนังโลก <c oughs> ที่นิวยอร์กไปดูที่สิงคโปร์ถ้าใครไปสิงคโปร์ไปดูหนังโลกนะ หลังสวันอาทิตย์ไปศูนย์วิทยาศาสตร์ก็มีศูนย์วิทยาศาสตร์ให้คนในสิงคโปร์ไปเที่ยวดูเพื่อศึกษาของเด็กก็มีของผู้หนุ่มสาวก็มีของผู้เท่าผู้แก่ก็มีเด็กๆ ก, ก็ไปเล่นวิทยาศาสตร์เดียนรูมมีขับ โขขับเครื่องบินครับอะไรจะเด่นล้นตีก็ได้สำหรับพวกเราไปดูหลังโลกน่าสงสารมากโลกใ่นี้ที่เราอาศัยอยู่นี่ไม่มีคนช่วยเหลือมีแต่คนทำลายถ้าใครดูหลังโลกจะน้ำตาซึมเลยล่ะร <c oughs> <c oughs> ักโลกใบนี้มาก ไม่ทำลายเลยเห็นรอยจอบขุดในถนนทางก็ยังเก็บใจอยู่ที่วัดป่าสุกุตโตเนีย่ยรอยขุดฝังโท่เนาะเมื่อเราจะเสร็จสักทีก็ไม่ชอบไม่อยากเห็นรอยจอบรอยเฉียมขุดในแผนดินนี่เพราะฉะนั้นโลกนอ่าเราอยู่ในโลกนี้ มาช่วยโลกก็เราก็เดือดโลอน <c oughs> <c oughs> จึงมาเป็นคนดีด้วยกันเถอะพวกเรามาช่วยโลกเราช่วยโลกคือว่าช่วยยกคนในคุณมนค่าหลังกากว่ให้กำเนิดเกิดเรามาก็จะ เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มีคนณมค่าตอบบุญเทนคุณยิ่งพวกเรานี่ก็ได้พูดเลืวองพอดีว่าเุณพ่อคป็นแม่มีกันทุกคนคุณนครูบาอาจารย์มีกันทุกคนต้็นชิดกันมาแล้วทุกคนเดือนลู่ไหลมาทุกคน คุณพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีให้เราได้เกิดระเบียบวินัยที่ปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องงดงามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงคุณศีลคุณฐานคุณภาวนาที่ให้เกิดความดีกับจุกับคนบางคนมีทำคนก็เป็นคนดีมีอยู่จริงแมีความรู้จึกตัว คนข้าวคนน้ำอาหารการกินเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่อาศัยมีจริงหนาวก็มีผ้าห่มที่อยู่อาศัยอาหารการกินหิวก็มีการอาหารการกินมีชีวิตอยู่ได้ที่อยู่อาศัยก็ให้ชีวิตเราเครื่องนุ่งห่มก็ให้ชีวิตเรา าหารการจินก็ให้ชีวิตเราอย่าลักษาโลกก็ให้ชีวิตเราให้อยู่จริงกึนดินกนฟ้าอากาศที่เราไม่ลมหายใจหายใจได้มี อ, อเยานมีต้นไม้ผิดอากาศให้เราได้หายใจต้นไม้จืนอยู่ข้างสลาหัใจนี่ทาหน้าที่อยู่เวลานี้ ปรับคาร์บอนเป็นออกซิเจนให้เราได้หายใจอิม่มมาไล่เป็นดีบนพิษอยู่ในโลกนี้มากมายเวลานี้ควรนพิษเกิดขึ้นทั่วโลกไฟไหม้ป่าข้ามมาถึงประเทศไทยก็มีมาเลเซียอินโดนีเซีย ปกุมมาถึงประเทศไทยก็มาก็ทำไมเป็นพิษเป็นไัยหรือผลกดผลตกล ม, มาเป็นกดเป็นเกดไี่ค่ะไอท่อไอเสียรีโอมเมลยเคยเพื่อนไปเป็นเมฆบอกไปเป็นเอดอนแหวกลงมาแต่ก่อนนคนผนตกใหม ฝนตกใหม่ๆก็น้ำลองน้ำชายคาแต่ลาดบ้านเลือดอยู่ในบ้านตายไปหมดเวลาฝนตกใหม่ได้ยินพ่อยินแม่ยินชาวบ้านพวกกันลองน้ำฝนตกใหม่ไว้รถกระดานพื้นเลือดอยู่ในกระดานตายหมดเลย านั้นถ้าไม่มีต้นไม้ปอกอากาศเหมือนกับปอดของเราต้นไม้ก็เหมือนกับ ป, ปอดของโลกเห <c oughs> มือนกานในมีปอดหายใจเข้าหายใจออกมีลมปรกอเลือดพอกลมเลยเราจึงมีชีวิตอยู่ได้ ขาดปอดก็ถือว่าขาดลหมหายใจร่างกายเรลานี่ก็ขอบคุณที่มีอวัยวะมีรูปมีนามไม่ใช้รูปแพีนามไม่ทำเกิดประโยชน์ได้มีสวมรู้จึกตัวขอบคุณที่มันเจ็บเป็นขอบคุณที่มันหิวเป็นขอบคุณที่มันรอดมันหนาวเป็น ด้วยจากสัญญาณถ่ายเอาตัวลอดมาได้คนอื่นช่วยบ้างชีวิตของเราก็เนื่องดยผู้อื่นนั่งนั้นทำไมเราจะไม่ตอบบุญแทนคนสิ่งเหล่านี้เป็นคนดีโกรธไม่ได้ทุกไม่ได้หลงไม่ได้เอาเปรียบกันไม่ได้มีอะไรก็แบ่งกันกิน ลักแลยโลกม่โลกช่วยกันให้เป็นอยู่นี่ก็ไม่ใช่เฉพาะเรามีกัโลอกกับเต่ามีนกวีหนูมีเป็ดมีไก่มีหมาด้วยถ้านเห็นหมาแลวกัดไก่พระเห็นอยู่ก็ไม่ไล่ก็ช่วยกันบ้างอย่าให้ทำลายกันนอกจาก สิ่งที่อยู่ด้วยการทำให้เกิดโลกเห็บหมาหละบาด ท, ทำให้เกิดไวรัสต่างสัตว์เลี้ยงริงวดล้อมหมูน่นี้ทุกคนต้องช่วยกันเป็นคนดีตามหน้าที่ดีที่สุดอาหารการจีนก็ให้สะาด ห, หมดจดทำมากง่ายทุกคนต้องรู้จักเลือก อยากเห็นเฉลียลดแต่ชาติใช้ชีวิตเฉลี่ยเพียงนาอมให้เหมาะสมกับป่าลเา่เทือกจากออกกาลังกายว่างอาหารก็เลือกตื้ว่างฉันผลไม้ฉันผักเนื้อก็ลดลงบ้างของหมกของดองาพาพดอาหารพาทุต่างนั้น ดีไซเกินใช่ไหมอรหารรี <c oughs> เิอาะเต็มแล้วตามอีกเอาไปขายขายไม่ออกเอามาซุกแป้งทอดมาอีกเปิดแป้งออกเหม็นเน่าออไปเลยคนอื่นทำไมเขาเห็นเจอเงินจะทองเพราะฉะนั้นจึงต้องทียิบ ติความรู้จักตัวการใช้ชีวิตทุกวันนี้ใชการใช้ใจให้ถูกต้องชัดเจนแม่นยำจะอยู่รอดโรคมันมีอันตรายแผ่นดินก็มีโรคอากาศก็มีโรคน้ำก็มีโรคเราจึงต้องโ <c oughs> ง่ไปได้ทรรมะเนี่ย ความรู้จักตัวเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดเลยทั้งกายทั้งใจเรามีกายไม่ีใจเราใช้ไม่เป็นก็เจ็บเจ็บตายเ็ทุกข์รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์เราใช้เป็นก็ไม่เป็นทุกข์รูปไม่เป็นทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์นั่นกับกวันหน้าแล้วปฏิบัติเราก็ได้เห็นได้ทำอยู่เนี่ย รู้จักตัวอะไรกันรู้จักตัวเนี่ยวันสุกก็รู้จักตัวเนี่ยวันทุ ก, ก็รู้จักตัวเนี่ยไม่ต้องแบ่งแยก เ, กเป็นสุกเปนทุกข์เปนชอบไม่ชอบวางรู้จักตัวมาไม่แบ่อย่างนั้นไ ม, ไม่ไม่ถูกดบงอะไรเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวเอตตะคะวันกันหมด จึงเป็นสากลของชีวิตของธรรมะราก็ผ่านไปผ่านไปเพราะกระทำอะไรอยู่อะไรมางามในการน้นใจเร า, <c oughs> <c oughs> าไม่ดูแลถ้าไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเลดก็งอกงาม หน้าตัหาก็รอ 8, ้อยแปดมืแปดด้านแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีในโลกนี่ถ้าไม่ศึกษาถ้าศึกษาเป็นเรียบไปเลยไม่มีอะไรจะได้ประโยชน์จากเรามีลูกม่น้ำเติมรู้จักตัวนี้แหละพอให้เราได้มีคุณมีค่าขึ้นมากุ้ค่คาชีวิตที่เกิดมามีพ่อมีแม่กําเนิดเกิดมาเพื่อให้เราได้ทำเรื่องนี้ พ่อแม่เราอจะทําไม่ได้เราจะมาเป็นตัวแทนของพ่อของแม่ว่าลูกชายคนนี้ลูกสาวคนนี้ตกหน้าอกยกเงือขึ้นมาเราจะเป็นหนึ่งได้ล่ะเราเป็นผู้บดเสด็เลยในโลกนี้เห็นคิดอย่างนี้กันเหมือนพระสิทธธัตถะเอาอย่างพระสิทธธัตถะคนดีมีอยู่แปเออย่างคนชั่วทําไม วันดีพุทธเจ้าสังสรนเอาอย่างไก่เอาอย่างกวงี่สู่ตั้งหลายอย่างเต่ารามหาชินอยู่กัป่าเห็นควงหาชินเห็นไก่หาชินเห็นเต่าหาชินเอาอย่างเต่าคือกรรมฐานเอาอย่างไก่คือสมหลวมระวัง เราสอนกวางก็คือสมรวมมีสติเต็มพี่การรอเ น, นี่ยไม่รู้จักสมรวมชี้ี่ยเลชี้เลี้ยกวไก่ขีเลีกวกวางขี้เลกีกัเกวเต่ า, าไม่รู้จักคู่ไว้ว่าเข้ามา เอลตาเห็นโลกว่ายินดียินไล่เปเลยไม่หดเอาไว้ว่าเข้าในกระดองคือกรรมฐานกลับอาลุจจิตตัวนั่นแหละเต่าเนี่ยกร ะ, <c oughs> ะ, ะดองเป็นที่อยู่พอเห็นโลกกลับมารู้จิกตัวหูได้ยินเสียงกลับมารู้จิกตัวจมูกได้กลิ่นเล่นได้รสกายสัมผัสจี่จมานชิดกลับมาลูจจิกตัวนั่นหรือว่ากระดองของชีวิตเราคือกรรมฐานนี่ ถ้าออกไปเลยออกไปเลยก็มีมารเอาไปกินตาเห็นลูกพอใจไม่พอใจเกิดชอบไม่ชอบเกิดจุปท า, านยึดมั่นเป็นพ่อเป็นชาติเทลาบะนาโศกาไปเทพทุกข์ตายไปมารเอาไปเลยวันเราจึงมีกระดองพระเจ้าสอนพระอย่างนี้ สอนตัวเองไม่มีใครเห็นตัวเองเท่ากับเราถ้ามีสติจะเป็นหน้าโลกดูแลกายและวเแลใจคุ้มไม่ใช่ตาเนื้อเป็นตาในดูหลกายดูหลใจมาทางไหนรู้เรามีสติดีเราจึงต้องฝึกกันหัดกันทุกทุกวินาที เวลาฝึงหัดเพื่อให้มันชิ้นคุ้นเคยงอกงามอทําทำบ้างไม่ทำบ้างก็จะด้านไปเลยนะต้อง้อสมควรปฏิบัติอย่างเร็วก็ได้ผลอย่างเร็วปฏิบัติอย่างประเสริฐก็ได้ผลอย่างประเสริฐ ความดีความประเสริฐไม่ได้เป็นผลของคนที่เกียดชี้ข้าดนั่นชอบสมบัติผู้ขยันก็หาทรัพย์ได้ผู้เกลียดข้ า, าน้อยเป็นทุกข์อดีชอบภายในก็เหมือนกันตติเนี่ยความความรู้จักตัวเน่ยวันหนึ่งอะความหลงอาจจะมากกาูความรู้จักตัวมาใช่กายใช่ใจ ก็ก็เถื่อนจะก็เถื่อนเสียบวเสียชัดไปเวลาก็มีให้เราได้ใช้ที่อับเบียบเว้นหนยอยจัดริธีสวัตถุ มีวัดลาลานันนี้แหละเต่าแก่มากก็เป็นอางนี้แหละแล้วก็จะเสอ็สอล้วไปธี เพื่อสร้า ง, งนักปฏินัติวิธีชวนมลวลไหวพระสาสนวัตถุก็มีที่วัดสายนี่พุทธลู่เพื่อให้เรามาใช้เป็นนิมิตเครื่องหมายเพื่อให้เกิดสาธนาธรรมนี่ก็เป็นวัดเป็ดว่าเพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำความดี ควาดีเกิดขึ้นที่รูปที่นามนี่มันเดินไปไหนมาไหนได้มันพูดเป็นมันใช้ภาษาเป็นสมมติวัญหัตดเป็นเรางเมื่อวานก็พูดกันที่ร้านทมสามภาษาภาษาไทยภาษากีนภาษาอังกฤษพอพูดไปเป็นภาษาไทย <c oughs> แปลภาษาไทยภาษากีน <c oughs> แมจับภาษาจีนหรือภาษาจ <c oughs> <c oughs> ีกไอ้คนที่พูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาไทยไมาได้พูดภาษาจีนมาได้ป้องกันเข้าใจนี่คือคนมันดีอย่างนี้มันบอกหน้าอย่างนี้มันเชื่อความหมายกัน เช่นผู้จนนี้เป็นภาษาไทยภาษาไทยคนไทยฟังก็ได้ยินหรือรู้จักแล้วคนจีนบางคนก็ไม่รู้จักบางคนก็พอรู้จักจึงหาโอกาสบอกกันสามภาษาถ้ามีภาษาอะไร้พิ่กันไร้ภาษาไม่อีกภาษาหนึ่ง รู้เฉกตัวคืออย่างไรเอามือไปเคาะมือรู้เนอยรูปแบบรูปจำเป็รูปเฉกตัวอย่างมันจึงน่าจะสะดวกกว่าอย่างอื่นการเอามาทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นที่รูปที่กายนี่ <c oughs> แล้วก็เป็นว่าเป็นลา อยู่กันได้ไม่ถึงกับสวดเครื่องนักคุม่มเพยนักเพื่อให้เกิดความสะดวจในการทําความดีความดีมันอยู่ที่เราความชั่วอยู่ที่เราต่างคนต่างสร้างความดีต่างคนต่างรล่าความชั่ ว, ว, ว, วไปด้วยกันเอาเคยหลง เหมือนกันทุกคนเราเคยทุกข์เหมือนกันทุกคนเราเคยโกรธเคยมีจิตติสัมโนเหมือนกันทุกคนแบางคนก็อาจจะสิ่งที่เราหลงคนบางคนอาจจะไม่หลงสิ่งที่เราเป็นทุกคนอื่นบางคนอาจจะไม่เป็นทุกมีในโลกนี่นั่งอยู่นี่ก็มีในวัดนี้ก็มีในโลกนี่มีไม่มากไม่น้อยเหมือนกัน อย่าคิ้ว่าเหมือนกับเราหมดออให้กันนะหรืว่าเราของโง่มันเราของไม่งูนนะเช่ <c oughs> นสมัยหนึ่งไอ้คนรุ่นครัวจอนที่มนนีน้ไปปกเสกรลุกจจศักดิ์สิทธิ์ผู้มีศีล เขาพูดออกไปเลยว่าในโลกนี้คิดว่าคนโง่เหมือนเราหมดเลยคนที่ฉลาดก็มีเนาะเขาพูดจากนี้เขาไม่เข้าใจเรียกว่าคนทั้งโลกดิฉังโง่เหมือนเราหรือคนฉลาดเรื่องนี้เขามีเหรเนะขาไป็นโง่แล้วไปทำทําไม ไปกรธทั้คนอื่นไปนทุกขกับคนอื่นพูดออกไปทว่ายาคนได้ยินม่าอายเลยอายใจเนี่ยลิคนหลายจใจไม่ใช่หลายคนอื่นนะว่หลงทีไรก็อ้ยเจ็บชรู้สึกว่ามันเปิดเพื่อน เช่นเรามีชะติอยู่ดีๆมันคิดไปนี่โอ้เปิดเปลื่นเลือลเกินความคิดที่ไม่ตั้งใจรีบที่สุดเลยตรงเนี้รีบเหมืกับว่ารู้จุกตัวขึ้นมาสมน้ำหน้าความคิดที่มันหลงมีแนวต้นมีแนวประกอบกันอยู่แค่กันอยู่แก้ได้แจ้ได้เจ้ได้ ทีน่นีถ้าเราไม่มีความด้วยตัวตัวหลงก็หลงคิดก็เข้าไปในความคิดอั้งที่คิดนั่งอยู่นี่ไม่ได้รู้คิดไปก็ไปในความคิดไม่ได้มีอร่อยความนะคิดเนาะนั่นเฉยๆเปนะ็นอารมณ์ที่เฉยๆไหลต่อมันนปลอยอ่อนแอนขนาดนั้นนะเข้าไปในความคิดแล้วเหมือนอ่อนแอนขนาดก็กลับมายุคนะกลับมาถอย ลูจึกตัวซะกลับมาซะกลับมาซะคิดหนึ่งครั้งกลับมารู้หนึ่งครั้งนี่กรรมฐานตัวคิดนี่แหละสําคัญบางเป็นทางจิตคือดูตรงนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าได้ตรงนี้ยิดถึงวิบากลับมารู้สึกตัวคิดถึงลาหุ่นกลับมารู้สึกตัวคิดถึงบัจจสามรูกลับมารู้สึกตัวคิดถึงสาวชนองกําลังในกลับมารู้สึกตัว นี่วิธีพระทธเจ้าทำ่างทีก็สลัดออกไปไม่ครับบอกคืนไปไม่มีที่ให้อาศัยมีสติอยู่แล้วไม่ตอนรับไม่ให้คุณค่าจากถ้าจะพูดถึงคุณค่าร้อนชีมหาโพกับประชาติจับ ด, ดูวันไหนไม่จะดีกว่ากัน โอ้เจ้าสมัยปัดบปปัดจะไปบําเพ็ญสมถธรรมไม่ให้คุณค่าเลยให้มีความรู้จักตัวมีคุณค่ามากกว่าความคิดที่เหตุผลเช่นนั้นทำปารู้จักตัวก็มารู้จักตั ว, ต, วต้องแวกพอจังควรแวกออกพอจังควรทวนกระแสพอจังควรลดของโลกมันรุนแรง ผู้ที่มีรถของโลกรุนแรงที่สุดคือผุ้ที่เจ้าคือพระศีรษะอันพวกเราอาจจะไม่มีรถถึงฝันนั้นเคือตอนไม่มีบุรุษเจือปนเป็นสติสตีสาวงามเปรบพกเปรบเหมือนกล่อมดีสีตีบายังแหวกออกมาได้น่าจะ เ, าเป็นเชียงอย่างโบลมกูมีอยู่จริงในโลกนี้ มีพระตไตรปิดกมีพระสูตรตบอปิดก <c oughs> ยืนอยางแล้วก็ไม่หลักฐานไม่ล่องลอยไปดูสังวแวชนิจฐาน ท, ที่จะจะลูที่แสดงทาที่ประชตรที่ป่าลิ้งผ่านมันล่องลอยอยู่ เราก็ลอยนั่นก็ยังไม่อลอยในใจเราเนี่ยเวลาไหนเฮ้ยมีสติไปในกายเปประจำอายสวัสดิ์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานวนาก็สวัสดเวทนาดังไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดก็สกวัสดิ์เกิไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาทำก็สวัสดิ์ทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่ลอยพุทธ้าลอยพระบาท มันไม่ใช่ยปไหว้ลอยพระบาทอยู่ที่สละบุรีอยู่ที่ไหนลอยพระบาทจริงๆคืออยอในหัวใจเรานรนรเนี่ย้อยเฉินลอยธรรมเนี่ยสัมผัสได้ทุกคนนะักตรอบตรงนี้บ่อยๆด้ยใส่ใจตรงนี้บ่อยๆจะเป็นบุญเป็นกุศลฉลาดตรงนี้เห็นกาจะสวากายไม่เอากายมาเป็นตัวเป็นตนเราเลยเกิดกับกายก็เสวากาย ว่า ไ, ได้เป็นกูไม่ได้เป็นชุกไม่ได้เป็นทุกจักตัวว่าไว้ทางนี้แล้วก็มีวิชากรรมฐ า, านเนี่ยเป็นเจ้าเข้าที่ตรงนี้ออกไปที่ตรงนี้มีสติเป็นในกายเป็นประจําแล้วก็มีกายแล้วก็มีสติเหนั้นเดียวกันนี้แท้ๆเนี่ยว่าได้หลอกใคร ที่พูดเนี่ยก็ไปหลอกมันด้ชวนเชื่อมันเห็นอย่างนี้ทําไม่เห็นอย่างนี้คนที่ปฏิบัติก็เห็นเหมือนกันสิ่งที่เราได้ฟังก็เป็นสิ่งที่เราได้ทําสิ่งที่เราได้ทํำก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เราได้ยินแต่มันชัดขนาดไหนไมาใช่เล่าในทางเป็นเรื่องของเราแท้ๆมาชดเรื่องของคนอื่น อาอผมก็หมดเชียงแล้ว no. oh, นั่นเนาะอสมควรใช้เวลากับพระพ่อมกัน